ฟังให้มันได้ฟังแล้วจำนำไปปฏิบัติ <c oughs> มันยังไงยังไงได้มืฟังแล้วทิ้งใครบ่ได้จังไนเสียเมื <c oughs> เ่อวันที่ยี่สิบแปดผมบอกไว้ถ้าหากผู้ใดบ่พอใจฝึกหัดตัวเอง นิมนต์ไปหาจำพรรษาทั้งอื่นก็ได้ผมบอกท่า น, นเพราะมีเวลาอยู่เป็นวันที่ยี่สิบแปดตื่นมาเป็นเวลาวันที่ยี่สิบเก้าไปจำพรรษาทันวันที่ยี่บเก้าตอนเช้าผมก็บอกอีกตื้นถ้าหากไม่พอใจฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองนี่นิมนต์ไปจำพรรษาทั้งอื่นเพราะว่าสําหรับทับยิงขวดเนี่ย เราเริ่มทากันมาตั้งแต่ปีพศออ2529ขุดคลองน้ำยังไม่ได้มาอยู่ปี2530ก็ยังบน่ทันจะเข้ามาอยู่ปี2530เมื่อกี้ดีเรามาจำพรรษาช่วยกันทนุถนอมบำรุงกันมาทุกคนช่วยกันสร้างเสริมทับมีขวนให้ดีขึ้น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 เพราะเราจะฝึกหัดตัวเราดีแล้วจะได้สอนคนอื่นให้เป็นครูต่อไปนั่งก็นั่งดีๆยืนก็ยืนดีๆห่มผ้าก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างใจได้จะเป็นครูของคนไม่ใช่อยากทำอะไรทำไปตามอารมณ์นั้นบ่แม่เขาเวากันแล้วว่ะตั้ตีคมระลึกได้มันบ่แมร่ระลึกได้มันคิดแล้วมันเวาไปซื้อ มันเข้าไปในความคิดทุกคนแบบนั้นบมคคนมีสติคำว่าสติคนเราเลืกได้พอดีว่าไปปึ๊บปึ๊บปิดเออเราว่าไปด้วยความคิดว่าไปด้วยอารมณ์สติคนเราเลืกได้ได้หมดเนี่ยแล้ว เ, เลึกได้อะจับยังสติความรู้ตัวเนี่ยสติคนราเได้ซ้ำไปเสียรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กลับความคิดประเภทนี้มันยื้ยื้อสติปัญญาหรือ หรือมันอยู่ด้โมหะโทสะโลภะเราจงรู้จักถ้าหากไม่รู้จักบางทันก็นแสดงบาขนนันอย่างบุญได้สุขัดตัวเองที่ผมบอก น, นี่นี่เป็นนู่แหลมแปดคำข้าพันศาพานมาแล้วเป็นเวลาเจ็ดมือการงานทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องฝึกจริงๆ ถ้าพี่โบฝึกเกิดในมวประจําภาษาทางอื่นก็นได้เดี๋ยวนี้พันศาหลังยังมีครับผมสั่งต้องเสี้อฟังอันนี้เป็นคําสั่งด้วครับคําสั่งบอกให้พัมอย่างนั้นต้องทําโบทบําโบได้มันเป็นการลบลางมันเป็นการ น, นีละคุณผมพูดด้วยควาจริงใจเพื่อความหวังดีต่อพรรพวกทุกโอนเงินคือการพระคือกัญญาโยมคือกัน อยาคว่าผมดีแล้วแบโบดีควมดีของมือเราซื้อนะเนี่ยพอกำปั้นเลยควมดีของผมพอกลก้งคอยดีกว่าทํำไมจึงว่าดีกว่าคันมือคันว่าผมโบดีคนมาจําพรรษาดำผมหลายคนท่านดีขั้นไปประจนนำลำดับให้คิดจังสิยุดเสมอผมวังดีมีคนมาผมก็รับตอนโบมีทางไปผมรับ หวังว่าทุกคนต้องแก้ได้เรื่องนิสัยใจคออย่าเว้าไปตามมันกูดีแล้วละกูเป็นย อ, อ, อย่างท่านติบบอมเอดียูเจ้าของเหตุนบาบกเป็นตเอามันบถูกต้องถูกต้องอยูทุกองตามแบบกีรเล็กออมันเป็นบนบมอมเป็นทุกองด้วยสติปัญญาได้ครับงานทุกชิ้นบนรับอยญ่ญาตาิผมโบต้องทําคําพูดที่ไปพูดกับญาติโยมทุกคํา ท่าบัลจากผมจะไปพูดพูดมันเสียผมเลยครับเอ๊หลวงพ่อเทียนสอนคนยังสันติเนี่ยความจริงผมไม่ได้สอนอยางสันผมสอนให้คนรู้จักตัวเองเคารพนบนอนตัวเองทีแรกผมบอกไว้ให้รู้จักสถานที่เคารพสถานที่คือยังทัพนี้วขวรนอางนี้ให้รู้จักสถานที่ทับนี้วขวรควรทําอย่างไดนงเคารพ <c oughs> มันนีครบาอาจารย์บุคคลนะควรเคารพย่างไงเดี๋ยวต้องเคารพที่จริงแล้วเคารพสถานที่เคารพตัวบุคคลนะเคารพตัวเขาถ้าเขาบม่รู้ตัวเขาแล้วจริล้เคารพสถานที่ได้อย่างไดเพื่อเคารพตัวบุคคลได้อย่างไงผมรู้จักธรรมะอันนี้มาผมยกมือไหว้ตัวเองได้ครับเลืกละทุกประเภทครับนอนมือเท้า ตีสองสามสิบหรือตีสามอย่างตาที่สุดออกลุกล้างหน้าทุกองค์ครับสั่งนั่นเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างนี้คันท้าปฏิบัติอย่างนี้ก็มีมนไปลดเมื่ออื่นได้ครับเพราะผมจิผบิษจริงจปีนี้เมื่อเศร้ามาอย่างน้อยสมก็ตีสามหรือตีสองสามสิบลุกออกมาลังนั่ ง, งสมาธิไฟบวให้ใต้บวให้ไต้ไฟฟ้าบัดนี้ ใสไฟฟ้าผมก็ใส่ปิดจุดใส่หันจุดหนึ่งแล้วก็นี่จุดหนึ่งใส่สามจุดพอแล้วจุดนั้นใส่ตลอดวันบนเม็ดมือหวันเนี่ยใส่ตลอดคืนจุดนั้นใส่ตลอดคืนแตจุดนี้บางทีอาจผมอยู่นี้อาจจะใส่เวลาไหก็ได้ผมต้องการใส่ครับเจอจีบบดใส่ไปไปกูศลสำหรับห้องกรรมฐานนั้นต้องไต่เทียนหาเทียนเปิดไต่ซื้อเทียนไข่ประจำไต่ไฟย่าไปจุดกุฏิวิหารมันโบดี อันนั้นมันบอดีแล้วนะแสดงว่าเจ้าของบอได้เคารพตัวเองบอได้เบิกการเบิก ง, งานมั้ยังนี่มาเจ้าของเฮ็ดดี้วมันผิดอันนั้นซื้อวันผิดผมบอกนะคำว่าสตนิน่ะนะครับมันเป็คนเร่อควมคิดได้สติควรคิดกับสติเป็นคนละอันกันเนี่ยควมคิดจะมันคิดไปเรื่อยเรื่อยไปคิดอันนั้นก็ดีคิดควมคิด เมื่อสติระลึกโอ้กูคิดเด้เนี่ยอืเจว่าสติผมระ ล, ลึกได้บ่นเนี่ยระ ล, ลึกได้เราคิดบ่รู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วบ่รู้ตั ว, วโอ้คิดเมื่อกี้นี่มันคิดเด้ทาเมื่อกี้มันผิดเด้เนี่ยเอิ้นว่าเอิ้นว่าผมรู้สึกตัวฟังให้เป็นเรียนม า, นานแล้วเอาไปใสบ่บ่อใดมันสู้มาขี่เหอนบ่อใด ขมหูแบบนั่นมันก็นดีอยู่แต่เป็นขมหูแบบโลกรคๆยาวขมหูแบบโลกโลกมาวากันสทานที่ที่ตรงนี้สถานที่ที่เราฝึกหัดให้คนมีจิตใจสูงแล้วโดนไม่ฝึกหัดให้คนจิตใจต่ําซิ่งเซ๊บปิดทุกประเภทบวให้นําเข้ามาไทยนาเข้ามาตั้งแต่มีสั่งเด็กคาดอนใน ม, มนฑลไปโหวมียสืพิมทุกประเภทบวชจอมมาอ่านทีนี้เขาอ้างกันมาพอแล้ว เฮาอานังสือพิมพ์มาได้เป็นรัฐมนตรีจากคนอยู่นี่โบได้เป็นได้เป็นผู้บริหารงานจากคนบบมีผู้ใดเป็นบริหารจักคนเรื่องนังนสั้นเหมือนเรื่องของโลกเฮาที่สแสวงหาธรรมะสิ่งที่คนบบเคยสแสวงหานั้นให้มาแก้ปัญหาตัวเฮาเมื่อเฮาแก้ปัญหาตัวเฮาได้แล้วเฮาจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ มือเขาแก้ปัญหาตัวเขาบวดได้จีบไปแก้ปัญหาผู้อื่นบวดได้เขาบนนับถือเขาดีบวแพงัง้งสู้ผ้าเสเาวาเขาบวดได้ดีนะนี่มันเป็นอะไรท่นนี้ขันสู้พาเสเาวาเขาบวได้เขาจีเขาลบแพงั้งพาเสถาวรเนี่ยเจ้าของดียงังตันจีอันนั้นกูกคเฮ็ุเป็นอันนี้กูกคเหตุเป็นเฮ็ดแล้วมันทุกจังหวะทุกจังหวะเจ้าของซื้อซื้อผู้อื่นเขาว่บวาบเวชดีแล้วมันจะดียังไงให้คนอื่นเห็นดีให้คนอื่นเขาว่าเขาดี อย่าไปว่าเขาดีจากเธอทุกคนผมสั่งเนี่ยเป็นคำสั่งอันเนี้ยถ้าหากว่ากูดีแล้วสินโอ้เสียแล้วคนน่ะไ่ใชคนดีแล้วคุณเสียว่าดเาีเอาตัวเองเลยได้เนี่ยเขาบอกคนอวดดีอวดดีซื่อๆน่ะคนดีแล้วบอต้องอวดดีเขามาหาคื อ, อยังเขาสร้างทัพมีขวดนี่แล้วนี่เขาบอได้ไปอ้อนวอนขอร้องไหมยัง สตางหนึ่งสองสตางลอยหนึ่งพันหนึ่งเขาไม่ได้ไปแฝงแทผมคิดว่าได้มาด้วยน้ำพักน้าแหลงพระทุกองค์เนรทุกองค์งานยมทุกองค์ทําดีไว้นี้เขาก็ศรัทธาผมไปเทศขจ้าก็ให้หมาเถิละลอยสองลอยเถิดะพันทุิดละม่ลก็มีนะครับขเจ้าให้มาผมบัได้เห็นยังผมพยายามทําเพื่อหมู่มู่ก็ทําเพื่อผมมู่ทาดีเบิ้ลไม่มทํา ด, ด, ดีให้มู่เนี่ยทดีให้ผมผมทําดีเบิ้ลผมทําดีให้มู่ เออวันนี้คนดึงคดีทําดีให้มู่แล้วทุกคนช่วยทําดีส่งเสริมกันเข้ายาปากยาเวายาคุยกันโดยที่ลายประโยชน์โดยที่มีเหตุผลผมบิ้งทุกมือผมบิง้งพระเม น, นทุกองนุ่งเสื้อนุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสุดวันอยากนุ่งตังใดนุ่งไปเป็นคันเหตดยังตันทําลายตัวเองทําลายมู่ทาลายสังคมมีมลินโรดผมบว์ฮวง เียเดียวผมอยู่ได้เพราะว่าผมสร้างคุณดีความงามคนรู้จักผมหลายคนเมื่อท่านเดีะเขาไปหาเฮาบอสยึดไปเขาใจไล่ดีหุ่จากรสำนักขันเขาไรในจากรสำนักเขาเป็นคนดีบอ บ, บดีคนซัวให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนซัวเขาอย่างไรให้เฮาหนี้ไทยเบ่อยากปากอยากว่านํเาเฮา้วซื่อว่าเฮาซัวแล้วให้สำนึกยึดเสมืออันนี้มีคนไปคนมายกมือไหว้อันนั้นคนดี มีคนไปคนมาถามเขาโบยากปาก น, นั่นคือว่าขนซัวให้เข้าใจางสั้นเขาดีแล้วพ่อแม่ไอ้น้องดีนาเขาเขาดีแล้วเพื่อนฝูงดีนำเขาเขาไปทางใดนิมนต์มาสอนผมเด้อครับเขามีคมหูบนแมจ้จะหูแต่เราซึ้งซึ้งการกระทํามันเสียนั่นมันบุกคุ้มคาได้ครับอย่าให้มันเสียจางการกระทําอย่าให้มันเสียจางการพูด ย้ายมันเสียการจอนให้มันได้สามอย่างนี่คือว่าพระธรรมพระธรรมการพระธรรมงานพ้าพูดพระเวาพระนึกพระคิดเขาเอื้นพระธรรมพูดเสี้ยออกไปทําเสี้ยออกไปคิดเสี้ยวออกไปเขาว่าผีเว้าบนพระเวามัเสียอันนั้นหเข้าใจว่าพระธรรมคือเฮานี่แหละธรรม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมนี้กับพระธรรมในตัวเห่าเนี่ยพระธรรมคันท่าเห่าโบเห็นอั่างเสี่ยวเห่าจีโบเห็นพระธรรมจากเถื่อเห่าจีโบได้ไปสอนพระธรรมจากเถื่อเห่าจีโบได้เห็นพระทรงผู้ปฏิบัติตามพระธรรมจากเถื่อพระทรงก็คือตัวเห่าเนี่ยปฏิบัติตามตามสติปัญญาจะต้องตามความคิด อันคนณให้ไปตามความคิดนันโบแมนเขาเอื้อน ว, วิปัสสนูอุปกรณ์สิบหกประการเนีย่ยผู้ได้เรียนเป็นมังหะมหากรรมนี่ในอยู่เนี่ยมูท่านเขียนหนังสือเป็นทุกองค์อ่านหนังสือได้ทุกองพรมเขียนห น, นังสือโบอเป็นอ่านหนังสือโบเป็นแต่พมเป็นคนพูดก็จริงทําก็จริงะทําทไมพูดจริงทํามโยให้ว่าคนเขตอําเภอหนึ่งเนี่ย ที่มาพิษธรรมะอันนี้ขึ้นมาผมว่ายาคือคนจํำนวนในเมืองไทยเนียวก้าวติดกว่าล้านคนว่พอล้านคนได้ว่าธรรมะแบบผมนี่ครับจังหวัดเลยเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยผู้หนึ่งครับเลนปฏิบัติมาเป็นโยม่เสด้วยนี่นะครับอืผมเสียสละทุ่มเทมาตั้งแต่เป็นโยมครับผมว่าธรรมะอันนี้ทําให้คนทุกคนคนทุกประเทศจริงจริง ความทุกข์นั้นเขาบูรุษจักคือว่าเอาทุกข์นั้นมาเป็นผมสุขภาว่ายาเห็นทุกข์เป็นสุขว่าจังยาเห็นผิดเป็นทุกข์ยาเห็นนรกเป็นสวรรค์ย่าเห็นโกงจักเป็นดอกบัวมันเห็นไปนด้วยเห็นผิดเป็นทูกข์แต่แค่แต่ก่อนเห็นทุกข์เป็นสุขเป็นชั่วเป็นดีไปเรื่อยๆบ้านมาปฏิบัติธรรมนิโอบแมเนอันทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุข ผิดเป็นผิดพวกเป็นพวกคนเอื้นสัจจะแป่นของจริงเขาให้เจ้าใดเพึ่งตะวาจัยงสันแหลมนี่เป็นของจริงจริงโดยสมมุติคุนเอื้นสมมุติบัญญัติขึ้นมาเขาโบเสื้อฟังได้ครับคุณเอื้นสมมุติบัญญัติปรมัาบัญญัติบัญญัติขึ้นมาเพราะมันโบดีคนโบเห็นดีคุณเอื้นบัญญัติขึ้นมามันโบดีคุณเอื้อัทธะบ่นอัทธะก็ตัวคมคิดทุนแล้วบ่น อัตบัญญัติมันคิดขึ้นมาเหอหนังคิดก็ยังคิดอริยะบัญญัติอริยบุคคลได้บัญญัติจึงเป็นอันผู้มีสติครับมันคิดขึ้นมาเลยเห็นแล้วดูโอ้มันคิดเ ม, ม, มื่อกี้นี่นั่นพุทธอันมีสติสติเจี่ยงคนและลึกได้จำปาสั ญ, ญาความรู้ตัวเลยมันคิดมเมื่อกี้นี่วเอาโจนีไปสองตัวหลังพี่ได้คหาเมี่ยผมตั้งใจมาพูดมาว่าให้ฟังอืม การงานทุกชิ้นบนรับคำพูดจากผมอย่าไปทำทุกอย่างทีเดียวสั่งเด็ดขาดมือนีถ้าหากใครบปฏิบัติจะมีมืออื่นเตาใน ม, มณฑลสันติจันทั์หน้าก็ได้บงอครับโบงอเท่หเพราะผมจะพยายามพิษที่ตรงนี้เท่ๆปีนี้ครับจำนวนพระอยู่นี่ในอยู่นี่ผมว่าได้จากสองสามองค์ก็จะดีเนื่อผมตั้งใจว้อย่างไรทุกองที่ผมว่านี่ญาติโยมคือกัน มานี่บอหงอบองงอแท้ๆจีงงอจัองได้ขันงะคนจีบมันจีสอนคุณดีบอกมึงก็ไปเอาเอาใจคนสนุ้หมอจ้องเอาใจสอนทุกอย่างผมสู้บุรีครับเขาเนาี่ยผมว่าเห็นสู้บุรีมันโกโหโห้เขาเอยยากระป่องผุน่ามือแดงมัดพอดีผมปฏิบัติธรรมนั้นเลิกได้ตั้งแต่บจิโภคเท้ามือนี้ครับ สิ่งที่ซั่วๆผมบ่เอามาเวา้าวผมบ่เอามาคิดทแท้ๆบ่เอามาเวา่าบ่เอามาทําบ่อามาคิดคิดยังมันเสียมันเป็นนิสัยนีย่วาการละนิสัยละสันดานนี่ละยากครับนี่ว่าอย่าปากอย่าเวา่าเบิ่งตัวเหา่าเขาจะละได้ถ้าห้าหากักวางเตเ ว, าว่าล้วบ่ได้เบิ่งตัวเห่าได้ครับมันจิละบ่ได้ได้ละบ่ได้เป็นคนบ่ดีได้ครับ มองสื่อๆเหาละได้แล้วก็ดีเฮาดีเฮาจังไดโอ้ตะก่อนพระองค์นั้นเนรองค์นี้เป็นอย่างตันพันษาแล้วเป็นอย่างตันพันษากองอนเป็นอย่างตันปีนี้คือรู้สึกว่าดีขึ้นจากน้อยพอเม็ดเขาเปลี่ยนกันอย่างดีนะครับต่อมาปีต่อไปทอเม็เข้าหักครึง่งต่อไปต่อไปก็จิได้เทากับเม็ดเขาบวชไปอย่างตันแบบ น, นี้เปรียบเทียบให้ฟังขี้แก่ กับเข้ารียบแต่เข้าเรียบมับนไะม่ได้ตำบทัดเป็นขี้แก่มีค่าคลายๆกันหำ้ำดีกว่าขี้แกีดีกว่าเข้าดีครับเข้าวปลายดีกว่าห้ำข้าหักเครื่องหักกลางก็ดีกว่าหัาหหกกานนห่นไปได้เป็นเข้าวทีนึงครูบาอาจา ร, รย์เขาจะบอกเองดอกเออมีมนพระโอนั้นไปมีมนพระอง์นี้ไปนั่นครูบาอาจา ร, รย์ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้เอง เป็นว่าพระพุทธเจ้ามีความสามารถฝึกมนุษย์และเทวดาอันนี้มีความสามารถฝึกยุทธต่มมือบวชข่มเหล่าบุญประยชน์เนี่ยบุญประโยชน์มั น, มนกึ้สถานทีครับมีมสติร่้ให้คนที่ผู้มีประโยชน์มาอยู่แล้วข้าวอุปกรณ์ใส่ใจกับจีบมาครับถ้าหากคนบูดีนี่มาอยู่นี่ข้าอุปกรณ์ก็มากขึ้นที่ยุ่กับขับแคบขึ้นไปแล้ว แล้วเอาเัวย่างของคนซัวมาให้คนดีสะด้วยนี่มันบดีอย่างันมันที่ผมว่าให้เกียกกับมือลับัวทุกองค์ทีเดียวสั่งเด็กขาดแล้วถ้าหากจะอยู่ก็ต้องตั้งใจลงมือทากันไปกลาว่สามโมงตีสามลุกเดินจมูมทุกองค์นั่งสมาธิทุกองตอนแรงก็ต้องอาบน้ำลงน้ำ าย่าปากยาเวาลยาคุยกันจริงๆนั่งอยู่ในห้องผ่าห้องเราถึงเวลาแล้วผมจะไปสอบอารมณ์มือหนึ่งสองเทื่อถ้ากว่าปานีผมยุคุ้นผมมายานวันนี้ผมย้มมายเข้มามาอยู่นี่แล้ว <c oughs> ผมที่มาประจําอยู่ที่นี่แหละครับะถึงเวลาผมก็จะไปซื้อยาุงเทปแล้วก็จะกลับคืนมาที่นี่เพราะพยายามกันจริงๆกุฏินั้นบเป็นหน้าที่ของเผาผมจ้างข้าเจ้าแล้วขโมยขโมย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 เพชรดีก็าตามสร้างบ่เอาเงีย้ยพอเพชรก็จะเป็นขี้ตมไปเลยบันเด น, นขี้ตุ่มก็จะกลับขึ้นเป็นเพชรไปเป็นอาจารยเล็คนมันบูดีเด้แล้วของว่าดีเป็นเพชรเป็นนินกับบ่ดยีย่าคุยยาวอย่ า, ยาอวดตัวกูเรียนมาสําเร็จจันนันสนิยโอยสําเร็จสู้มาขี้เหื่อนบ่ได้ก็มีนะผู้เขาบูยงังโมพ่อหมดมูนเขาเจ้าบ่าได้แต่เรียนสําเร็จมาคนไปจ้างขาเจ้าเนี่ย คนเรียนจบปริยเอกมาแล้วติดตารางก็มีเน่พ่อควมคิดนี่แหละครับบ่มีสติบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาบ่มีความรู้สึกตัวให้ว่าเดี๋ไปเพื่นเราคนาคามบมีประโยชน์อันสู้มาที่เหินบ่ได้คนบ่มีความรู้กันเนี่ยคื อ, อยังโมพหมุดหมุดให้บ้านบูหมมาจ้างขาจ้ไม่เห็เนี่ยขาจะาจะบ่ได้เป็นเรียนดอกมูนเนี่ย โบได้ไปเข้าโรงกึงโ่ได้ไปเข้าโรงเรียนโงรงซ่อมโรงอัไะไรคาเจ้าโบได้เห็ดเป็นการกระทําถูกต้องพุ่นเขายัางว่ามันดีการกระทําบุคคลต้องเรียนมาจบสั้นใดกระทำตา่างมันโบมีค่าครับมีค่าเพราะเฮาเว้าเอาว่าเฮามีใ บ, บประกาศมีใ บ, บประกาศได้เงินเดือนเท่าใดโบไดจ้อยสามเมื่อเป็นโบติดประโยชน์มี้ยยังเมื่อข่าวคือกันแมื่อดำคือกันมีผู้ใดว่าให้ปรับแป๊ โอดเกลีาาก่ยเขาทุกคนมีเรื่องอยังมาว่ากับนายพอสกรเพราะนายพรเป็นคนบริหารงานที่ตรงนี้หรือว่านายพ่อบริหารงานกับเมีนเมียนแล้วที่ บ, มบ่มียังไหนมีบ่มีหลัดเนียนโบกสะพัดเนื้อกว้างขาเจ้าจีนมีศรัทธาข้าเจ้าศรัทธาผมพี่เขาเจ้ามีศรัทธาและข้าเจ้ายังยกให้ครับพี่ทุกเขาเจ้าม่ศรัทธาก็ได้หาเงินสดใส ขเขาจ้าไปมือเงนล้านกวัวบาทแล้วได้ห่องเฮ็ดเดียครับแเรามูอโบได้ไปหางเงินมาคอยคนละพันสองพันนอะครับคนละเมืองตะโบมีมีแต่ผมไปหั่นมานี่เตะนั่นเตะนี่แล้วก็มีอาพวกามาให้เขาพยายามท่า น, นับถนอมกันดูพอทุกคนช่วยกันสร้างดีเลยมือเพิ่นก็ได้ไปหักสร้างขุมดีไว้นี่บะยืดเนี่ยก็เท่ากับมูอไปเปลี่ยนตรงนี้ผมไปเด้ ขาเจ้าจร่มห่มเน้เ น, นี่ยโมโนนี่แล้วก็มู้ดทางานทางหลังเนี่ยมันกัดซอยซอยกัดฟุตเอื้นคีมสองปาก ค, คีมปากเดี่ยวมาจับเหล็ดโบยูวนว่ามันมีคีมสองปากจับเล็ดแดงเหล็ดคอนมันอยู่ได้นี่มาความเลือดร้อนควมสับสนวุ่นวายย่านํามาเทะๆได้ยินทุกองค์ผมสร้างเนี่ยมันบอกครับโลกตั้งแต่นี้ไม่เป็นต้นไปยังพื้พเมือเข้ามานี่ผมด่ารอบเดียว บนมันหน้าคนแล้วนะั่นหน้าสัตว์แล้วนะั่นบนมพระแล้วนะั่นผีแล้วนะั่นคนมันต้องจำได้นี่ครับผีมันจำบ่ได้ครับคนกับผีจึงว่ากันบ่เป็นผู้มีตาทิพย์จึงเห็นผีคนผู้มีตาทิพย์มันจีเห็นผีบอกผีคือคนเรายากพูดยากสอนยากเขาก็ากบักผีออกเต็มก็เมันเรายากเนี่ย่ะเป็นผู้ตาย พันผู้นี้ก็มีอไม่เกินก็นกนคือผีโรอีผีเกินมันเบาหยักพระเนีย น, นคือกันพระเนียนเบายักกับผ้านีนา้ ก, ก, นนนก็เป็นผีได้เหมือนเบายากเนี่ยบุตรคนเหมือนผีรูปร่างหน้าตาแทงขาเป็นคนก็าจริงหักเป็นผีใจมันเป็นผีบุตรตัวคนเป็นได้ครับใจมันเป็นผีจิ้ว่าเลิกละสันดานผีออกไปซะมือเนี่ยมือแปดคำแหลมแปดคำตั้งแต่มือเป็นต้นไป ซี่เสพติดทุกประเภทยานนำเข้ามาดูว่าเห็นวาสันตาจะมันเห็น